พระอาจารย์ครับอาารย์วัชการครับผมจเจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์วันนี้ฝนตกไหมครับตอนเทศน้ากุติอะครับวันนี้ไม่ตกแต่เมื่อวานนี้ตก อ, อ๋อเมื่อวานตกครับผมวันนี้พอเทศเสร็จก็ตกวันนี้ <c oughs> คนไปเยอะเลยไหมครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็ร้อยกว่าแบบสองร้อยวันนี้ก็รอยห้าสิบออครับผมครับสาธุครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องว่าเจ็เดือนบรรลุธรรมครับอาจารย์เพราะว่าแต่ก่อนมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขียนโดยคารวาสนะครับแล้วผมได้อ่านชื่อหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมแล้วพอดีผมอ่านเคยอ่านเล่มนั้นมานานหลายปีแล้วครับแล้วก็พระอาจารย์ก็มักจะพูดเสมอว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีบรรลุธรรมได้ครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันผมเลยขอกลาวเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเจเดือนเนี่ยบรรลุธรรมได้จริงไหมแล้วถ้าจะบรรลุธรรมนี้ต้องทําอย่างไรครับอาจารย์ครับกล่าวข อ, ขอความเมตตาครับ ก็ถ้่านในสติปทานส่วนตอนไท้ายพสูตรพระพเจ้าก็บอกว่าถ้ากายสามารถปฏิบัติตามแนวที่พระเจ้าส่งสอนในสติปทานสี่ได้ก็สามารถบรรลุได้ภายในเจปีบ้างเจเดือนบ้างแต่ทรงทรงทรงไล่ลงมาเนีจ็ดปีบ้างหกเจ็ดเจ็ดปี6ปีไล่ลงมาถึง1ปีจากหนึ่งปีก็ไล่ลงมาถึงเจ็ดเดือน จากเจ็ดเดือนก็ไล่ลงมาเหลืออยู่แค่เจ็ดวัน uh, สามารถบรรลุได้สองระดับด้วยกันถ้ายังมีถ้ายังมีเชื้อของกเลสเล็ลที่ละเลอียดยังไม่ได้กําจัดก็จะได้ขั้นพระอนาคามีถ้าคือหน้าละสัยุนก็วนอยู่ไม่ได้ได้แต่สัยุนเบื้องต่างําก็ก็จะได้บรรลุเป็นพระอนาคามี ครับไม่ชนนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กําลังของอินทรีย์หรือพร ะ, ะนี่เองพระหา้า NC พร ะ, ะในซึ่งถ้าถ้าได้พัฒนาอินรีย์ให้เป็นพร ะ, ะขึ้นมากําลังก็จะมีมากพระห้านี้ก็เเหมือนเครื่องยนต์ของลอนยนนะลอนยนที่มี แรงมาสูงก็จะมีความเร็ววิ่งได้เร็วสามารถถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าเคื่งยนต์ที่มีแรงมาต่อนั่นก็อยู่ที่ตระห้านี่คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของแต่นะผู้ปฏิบัติว่าจะมีอยู่ในระดับไหน น้อาสิร์นบหกิ็จสิบเอร์นปสถึงร้อยอร์ซ็ถ้าพวกเก้าสิบถึงร้อยนก็เหมือนพวกนักศึกษาตับบบ้งแต่สามจุดปดขึ้นไปถึงสี่จดนีก็จะสามารถที่จ ะ, อะเอ็นทานเข้าตามสถาบันต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ที่มีะขะแดนที่ต่ากว่าก็อยู่ที่ ศรัทธาในการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ความเพียรไม่เลี่ยงมาเพียรกี่ชั่วโมองต่อวันเนี่ยอยู่ที่สติว่าสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากน้อยเพียงไรสามารถเข้าสมาธิได้มากน้อยเพียงไรสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้มากน้อยเพียงไรไตรลักษณ์สุภะเนี่ย ปฏิกูลถ้านี้ยก็ถ้ามีก็สามารถที่จะมาร ล, ลุธรรมได้แล้วแล้วอย่างนี้ที่บอกเจ็ดเดือนนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักบวชเลยใชครับอาจารย์ใช่ไหมครัไม่ไม่สำคัญว่าเป็นหลวชนักบวชหรือไม่บวชสําคัญว่าเป็นนักปฏิบัติอ ม, มืออาชีพหรือเปล่าต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้บวชก็ได้ แต่ก็าอยในสารภาพที่เขาสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเช่นก็าจจะมีฐานะการเงินที่พร้อมที่สนับสนุนในการปฏิบัติของเขาโดยที่เขาไม่ต้อง่วชก็ได้แต่เราก็ต้องมีความรู้มีมีมีธรรม ท, ที่สอนเขาได้อย่างถูกต้องด้วยแตถ้าเป็นนักบวชแล้วถ้าได้ไปอยู่กับผูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันก็ มันก็จะง่ายเพาครูบาอาจารย์จะคอยกระตุ้นคอยเตือนคอยบอกว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรถ้าปฏิบัติเองนี่ถ้าอาศัยอ่านหนังสืออย่างเดียวนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าอ่านหนังสือของใครด้วยนะมันก็มีมันมีส่วนที่จะทําให้การปฏิบัตินี้ไปเร็วไปช้าถ้าได้ผู้ที่เป็น ผู้ที่บรรู้ทรรแล้วนี่เป็นผู้คอยสอนอย่างลูกตามหาบัวท่านก็เคยเล่าว่าท่านได้ปฏิบัติไปถึงขั้นสุดท้ายท่านก็ได้ปิดสนาธรรมปรากฏขึ้นมาในใจวันหนึ่งขณะที่ท่านเดินจงกรมนะท่านบอกตอนนั้นจิตของท่านก็สมบสว่างสวยแต่ยังไม่หมดทีเลย แล้วก็มีปิสนาธรรมปรากฏขึ้นมา ว, ว่าจุดใดที่ไหนมีจุดมีต่มที่นั่นหละคือพบชาติทันก็ไปเข้าใจความหมายว่าจุดต่ำนี้คืออะไรครับท่านบอกพอดีช่วงนั้นหลวงปู่มั่นท่านได้มองหน้าภาพไปแล้วบอกว่าท่านไม่รู้จะคบะปิสนาธรรมวันนี้ได้ด้วยตนเอง ก็เพียงแต่ไปเล่าให้หลงปู่มาท่านฟังท่านก็จะสามารถชี้บอกได้ว่าคืออะไราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากไม่มีท่านเขาเลยหมอท่านต้องแบกปริศนานี้ไปปฏิบัติอยู่สามเดือนไจนในที่สุดก็เข้าใจว่าอตอนนี้คืออะไรในตัววิชานีย ตัวที่กําลังเป็นตัวทำให้จิตสว่างสว่างสวัยตอนแรกก็คิอว่าเป็นตัวนิพพานดูวความสว่างแต่ทั้งจากพิจารณาสังเกตดูตัวสว่างสวายนี้มันก็เป็นอนิจจังมันไม่สว่างตลอดเวลาหมาถึงจุดต่ำนี่แหละครับพระอาจารย์ออต้องบอกคุอครัเป็นอวิชชานะครับก็คือตัวสว่างสวายนี่ครับ เรนต้องคอยรักษาความสว่างสวัยเวลามันมั น, ม, นมันเริ่มเฉาลงก็เล่ใช้สติใช้ปัญญากู้มันกลับขึ้นมามแต่ที่สุจก็ต้องพิจารณาว่าอันนี้ยังเป็นการทราภารกิจอยู่ถ้าเป็นถ้าเสร็จสิ้นกิจมันก็ไม่ต้องคอยกู้อะไรก็เลยได้สติว่าอ๋อเรากำลังไปรักษาสิ่งที่เป็นอนิจจ์ทุกขอ์อนัตตา <S <S แล้วก็เลยพอเลยเนี่ยอ๋อแล้่อนนี้มันก็เลยอตัวนั้นก็เลยท่านบอกว่าเบิดหายไปจากใจท่านทีก็เลืแต่ความว่างว่างแบบไม่มีไม่มีไม่มีมมมมเปลี่ยนแปลงวางตลอดเวลาพระอาจารย์ครับอย่างหลวงตาท่านใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะครับผมอาจารย์ฟอร์ซาบ์มั้ยครับ แลอดท่านภาษา16 16ปีดนะ้วยกัน16ท่านใช้เวลาศึกษา6ปีเรียนปริญญาเรียนได้ป ร, ริญญนมหาประโยคน์3ประโยคชน์ห<ะ>ลงังจากนั้นท่านก็บอกว่าท่านไม่เรียนต่อแนละ้วเพราะว่าท่านเห็นว่ามันเรียนไปก็ไม่ได้ไม่เกิดไปอยู่อะไรท่านก็เลยพอดีได้โอกาสได้ ผบหลปู่ม่านคั้งสองครั้งไม่ได้พบกับตัวแต่เห็นเห็นเห็นตัวท่านในขณะที่ท่านไปพักอยู่ที่วัดเดีย ว, ว, ยวยกันที่วัดเจริญหลวงปูแต่ก็ได้ยิกติสา ม, มาว่าหลวงปู่ม่นนี่เป็นอะไรก็ทํ า, หา ใ, ทให้ได้ในความาความยินดีความต้องการที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติของหลวงปู่ม่นท่านก็เลยหนีจากาวัดที่ท่านอยู่ ให้ท่านเดีนประัตซึ่งเจ้าว่าทา่านก็เมตตาอยากจะให้เรียจบปริญญาเก้าแต่ท่านไม่ต้องการท่านต้องการที่จะออกปฏิบัติในี้สุดกได้ไปอยู่กอบหลวงปู่ั่นในพรรษาที่ที่เก้าไอ้ที่ที่เจ็ดั่นคืพรรษาเจ็รรษาเจ็ดท่านไปอยู่องเดียวรรษาแปดนี้ก็ได้ไป ปุ่มมั่จนพรรษาสิบรรษาอันนี้ไม่แนใจในขออภัยนยแต่รู้ว่าท่านท่านท่านเรยอยู่พรรษาแล้วท่านได้ไปอยู่หลงู่มั่นเก้าพรรษาแต่ตอนนีอยู่งูมั่นนี้ท่านยังไม่สำเร็จท่ไม่เสร็จสิ้นราะเป็นพรรษาสิบห้าที่งปู่มันเสียเสียชีวิตไปท่านก็เลยไปจำพรรษาอยู่ก ยังไม่เข้าพรรษารูสร้สึกท่านก็ไปอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีช่วงนั้นแล้วพระท่านก็ได้ปิศนาธรรมทา่นานก็บอกว่าท่านก็ออกโดยทุ่งดงไปเปรียเ ว, วทในภาวนาต่อเพื่อคลบปัญหานี้ครับจนท่านบอกว่าประมาณสักสามเดือนท่านถึงเข้าถึงความความจริงของสัจธรรมอันนี้ครับ กาเสำเร็จ16ปีน่า16คันชาน้าได้ยันไงขนาดองค์หลวงตายัง16พรรษาเลยนะวันน<ม>บอกเจ็ดเือ<ม>นว่าดูทาได้ยากแล้วต<ม>างความจริงท่านปฏิบัติก้ารแค่9ปีเท่านั้นอ๋อ6ปีนี่ไม่ถือว่าท่านปฏิบัติท่ทานเรียนแต่ใ น, นช่วงเรียนท่านบอกท่านก็ฝึกสมาธิท่านบอกว่า 6ปีที่ท่านเรยียยมถึ้ท่านเคยเข้าสมาธิได้3ครั้งแรกปัญหาสมาธิอยู่3ครั้งหลยครับโอ้โหยันไม่ใช่เป็นของง่ายนะที่จะเข้าสู่ปัญหาสมาธิได้เข้าสุ่ฌานสี่ได้ครับผมก็พอได้แนวทางครับอาจารย์ก็คือสรุปว่าถ้าจะทําให้บรรลุธรรมก็ต้องเปลี่ยนอินทรีย์เป็นพร ะ, ะให้ได้เอ่า ในช่วงที่เปลี่ยนนี่ก็ที่ว่าเราเรามีพลังมากน้อยเพียงไรนะครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมจะนำไปพิพจนารณาและปฏิบัติต่อไปนะครับอขอโอกาสถามของคำ ถ, ถามจากเพื่อนๆ น, นะครับพระอาจารย์คุณพัฒนาครับเคยสาบานผิดคำพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกผิดกับสิ่งผิดที่ผิดคำพูดมีแนวทางแก้ไขหรือขอขมาโทษไหมครับ สิ่งที่ผิดไปแล้วก็ทำได้อย่างเดียวก็คือมาเป็นบทบทเรียนสอนใจเราถ้าเราอยากจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็เราต้องทำมาตรการลงโทษตัวเราเองเช่นตัดเงินเดือนหรือตัดอะไรในสิ่งที่เรารักเราชอบชอบดูอะไรชอบฟังอะไรหรือชอบทำอะไรก็ตัดมันเพื่อเป็นการลงโทษก็จะได้ไม่ทาซ้ำซาก แต่และมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไปไปแก้มันไม่ได้แก้ได้คือคืออนาคตคือการกระทำผิดครั้งหน่อยถ้าเราไม่มีมาตรการลงโทษเราตัวเราเองมันอา จ, จะทําผิดแบบซ้ํากทําแล้วก็ไม่มีโทษเราด้ก็สํานั้ไม่ไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ไปทําผิดใหม่แต่ถ้าเรามีมาตรการมีบทลงโทษตัวเราเอง มัก็อาจะทําให้เราไม่กล้าอเช่นห้องตาท่านท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนี้ท่านก็ยังหิวชอบกินอาหารถ้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จคถ้าน้ำบาชื่นบาไ ม, ไม่ไม่ทันเสร็จบายังไม่ทันแห้งใจมันฉีวว่เบื่ออยากจะกินอีกถ้วบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องหามาตรการป้องกนะันแล้ว่านกับเราถ้ามันอยากกินกูจะไม่หมันกินสามวัน น, นัก็เลยอดอาหารสามวอนต่อไปมันไม่กล้าอดานะถ้าต่อไปมันไม่กล้าหยิวนะต่อไปไม่ใช่หิวอยากกินนะร่างกายมันไม่หิวอ่ะต้องกินเสร็จใหม่มันจะไปหิวอะไรแต่ใจมันยังอยากกินอีกคิดถึงว่านมนมเนยคิดถึงอะไรก็อยากจะกินให้หมปท่านเลยต้องใช้มาตรการลงโทษตัวเองอถ้ามันยังอยากกินอยู่เพิ่มเพิ่มกินเสร็จใหม่ๆไม่มีเหตุผลที่จะหิวได้เพราะว่ ท้องมันยังเต็มอยู่นะนั่นก็เลยว่ามันยอยากกินอยู่นะนี่นนมันเป็นเรื่องกิเลสนะก็เลยลงโทษด้วยการไม่กินสามวันลองลงโทษดีสิต่อันจะไม่กล้าสาบานผิดๆลองลองลงโทษตัวเองทั้งสามวันดูไปสาบานผิดคำพูดก็เราไม่กินข้าวสามวันดูข้าวสามวั น, วนทุกครั้งท่าไปสาบานไปทําอะไร จะทําที่ผิดกับคำพูดถึงตอวมันก็ต้องลองโทษตัวเองแล้วมันต่อไปมันจะไม่กล้าก่อนที่มันจะสามารถอนที่มันจะให้คำมั่นสัญญามันต้องคิดให้รอบค้อบก่นว่าจ ะ, จะทำได้ไหม ม, มีมีอยู่ด้วยคนที่ชอบไปบนบายอะไรตา่างๆแล้วเสร็จแล้วก็มาถึงเวลาก็ไม่สามารถแก้บนได้ เราไปบางทีไปบน่นที่ว่าตัวเองทำได้เพราะถึงเวลาจะต้องแก้บน่นทําไม่ได้แต่เรื่องบ่นมาเนี่ความจริงไม่ไม่ไม่ไม่สนับสนุนนะเพราะมันเป็นเรื่องไร้สาระความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่การบ่นบานอยู่ที่การกระทําำอยู่ที่สร้างอิียสร้างพละห้าขึ้นมาสร้างความเพียรสร้างสติ คุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหาบูชาต้องปฏิบัติธรรมข้อใดครับก็เหมือนปฏิบัติทุกวันเนี่ยอาสาหบูชาก็ทําให้มันเข้มข้นขึ้นนั้นเองปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเดิถ้าเรายังไม่ได้เคยปฏิบัติก็ลอง เ, เอาทั้งวันทั้งคืนตื่นเช้าไปมาก็นั่งสมาธิไวหว้พระสวดมนต์เสร็จก็จาระสติเตรียมตัวไปทําลุ่มใสบา แล้วก็ถือศีลแปดปฏิบัติต่ออะไรทำนองนี้ก็ทำทั้งสามอย่างทานศีลตอนนะแต่ทำไม่มากขึ้นทำในสัตว์จิงเลยวันนั้นคืนนั้นไม่นอนเลยบางวันที่ก็จะมีการปฏิบัติทั้งคืนไม่มีการหลับนอนในวันสำคัญสคัญคุณคามมโอครับ ลูกอยากขอสอบถามว่าลูกได้เคยไปพิธีสร้างพระพุทธรูปเจ้าค่ะได้เคยนําอ้อยและต้นกล้วยพร้อมดอกไม้ที่ใช้ในพิธีบวงสวงกลับมาไม่ทราบว่าจะเป็นบาปไปเป็นเปรตไหมเจ้าค่ะลูกทําไปโดยไม่ทราบเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าเจ้าของอนุญาตให้เราเอากลับมาหน่อยแล้วก็ถ้ามีคนนอกบอกเอาไปเลย้อาไปเลยถ้าอยู่ดีๆเราไปเอามาโดยทีญญญ่ไม่ได้ออนุญาตและท่ากับรักทรัพยของคุณ คุณตายครับถือศีลแปดออกกําลังกายด้วยการเดินผิดไหมคะไม่ผิดครับเดินเป็นเดินจงกรมไปเลยก็ดีนะครับอาจารย์เดินจงกรมถ้าจะวิ่งก็ได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปแสดงตัวว่าเราถึงศีลแปดให้คนเห็นคนรู้มาลันเพราะว่ารูปแบบของผู้ที่ถือศีลแปดต้องน่องขาวขาต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอแต่ความจริง ถ้าจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งเรื่องอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องถ้าเราวิ่งเรื่อเป็นการมีสติมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอะไรตัวหนึ้งแล้วมันก็ไม่ได้ไปมันก็ไม่ได้ไปทำผิดศีลข้อใดในการวิ่งเห็นแต่ว่าจะดูแลอาการไม่สำลอมสาหรับผู้ที่อถึงศีลต้องซ้ำล่นต้องเรียบร้อยต้งเดินแบบน้ำเน่า อ, อะไร พิสมพรครับการร่วมหล่อเทียนพรรษาสมโภธเทียนพรรษาและร่วมบุญถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาได้รับอนุสง์อย่างไรบ้างครับก็เป็นการทําทานอย่างทําบุญอย่างหนึ่งอนุสงก็คือเราก็จะได้สะสมบุญไว้ในใจถ้าเรามีมากขึ้นคุณชิดครับการว่างจิตอย่างไรดีครับเช่นสงบก็ช่างไม่สวยก็ช่างวางใจ อยากอยากในการทําสมาธิคือมันยันอยู่เฉยๆยไม่บังคัาให้มันเฉยๆไม่ได้หรอกมันต้องทําจิตให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วมันจะมีอุเบกขาขึ้นมาโดยธรรมชาติไปแตะมานั่งคิดว่าเราจะวางจิตของเรามันไม่วางได้บางเวลาเวลาที่มันไม่มีอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็วางได้พอไปเจอที่มันหรุนแรงเนี่มันจะวางไม่ได้ ถ้าไม่มีความว่างจริงถ้าไม่มีอุเบกขาจริงเราพยายามันฝึกสติแล้วมันนั่งสมาธิให้มากๆให้จิตสงบจิตนิ่งเป็นอุนเบกขามากๆแล้วมันก็จะมันก็จ ะ, จะวางใจให้ว่างให้เฉยได้คุณวีนาครับการจะให้บรรลุธรรมได้เร็วควรปฏิบัติธรรมอย่างไรคะสิ่งใดที่สําคัญที่สุดคะ ปฏิบัติให้มากเแล้วก็ต้องมีอี่เงี้ยนสีห้ามีศรัทธาต่อการปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวทาความเพียรตลอดเวลาไม่ไปทำภารกิจยังไงโดยการเจริญสติตลอดเวลาสลับกับการนั่งสมาธิแล้วก็ละลาสติในสมาธิในอุเบกขาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อพิจารณา คุณพัฒนาครับตอนบวชเป็นสามเณรหลายสิบปีก่อนเคยทําผิดศีลไม่ได้บอกกับพระอาจารย์หลังศึกออกมาปัจจุบันพอมาศึกษาเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทําไปตอนนี้อายุยี่สิบกว่าแล้วครับสอบถามว่าหากเคยทําผิดศีลตอนเป็นสามเณรแบบนี้เราไม่สามารถบวชเป็นพระได้แล้วใช่ไหมครับมีกรรมติดตัวไปตลอดแล้วใช่ไหมครับแล้วไม่สามารถบรรลุธรรม ในชาตินี้ได้แล้วใช่ไหมครับไม่หรอกก็ผิดจะผิดไปนผิดไปก็เข้าไปในบัญชีบาปไป น, นั่นเอส่วนการยรืมบุตรพระนี่เขาจะไม่ตัดสินเพราะว่าตอนที่เราเป็นเองเราอาจจะทําผิดศีลบ้างง่าการมาบวชเป็นพระก็เป็นการกระทําผิดศีลของพระซึ่งทางพระเขาก็ให้แสดงอาบัติได้ยกเว้นข้อที่เป็นข้อหนักที่ ที่ไม่สามารถทําแสดงอบาบัติได้คือปาราชิกสี่ก็ต้องขาดจากการเงินท่าไปทท่านี้พรอาจารย์ครับแล้นเนมีปาราชิกไหมครับพระอาจาไม่มีครับเนนเคยค่าสินสิทเท่านี้อคก็เหมือนสินแปดเพียงแต่ว่าเครื่องสินขึ้นมาข้อคือการไม่จับต้องเงินทองแล้วสินสินเจ็ดก็แบ่งเป็นสองข้อ ความกินสิ้นเจ็ของของสิ้นแปดนี่เป็นสองข้อนะมารวมกันเป็นข้อเดียวคือข้อาการบันเทิงน้องนำทาเพลงแล้วก็ข้อความสวยความงามแต่งหน้นสวยความงามให้กับร่างกายทำจริงอันนี้เป็นสองข้อในสิ้นสิบแต่พอมาทำสิ้นแปถ้าถ้าแยกมันมันก็จะเป็นศิ้นเก้าอ่านี้เขาอจะไม่ชอบเบอรเก้าเป็นก็เลยในหะ้รวมสินส้นสิ้นเจ็ดกับแปดข้อ ถ้ารวมกันเป็นสินเจ็แล้วก็ศินสินข้อสิบและสินข้อ8มาเป็นข้อ8ส่วนสิลข้อข้อเก้าดการจับต้องเงินทองก็สำหรับคาราวาทุกกองหนึ่งยจับเป็นอยู่ก็เรยไม่ต้องถึงถือข้อนี้แต่สําหรับนักบวชที่ศึกษาสมาหลันงนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองพระจ้าไม่ต้องการให้บ้านในมีเงินทองเพราจะเป็นเครื่องือของวิเศษเป็นส่วนใหญ่ คุณอัญเชลีครับการโกหกเป็นการผิดศีลแต่ถ้าโกหกเพื่อให้ผู้ฟังสบายใจหรือไม่ให้เป็นห่วงผิดศีลไหมคะก็ผิดอยู่ดีเพราะถ้าไม่ได้มีวงได้ไหมเนว่าถ้าทําให้คนอื่นสบายใจเราไม่ผิดศีลไม่ดีแต่ว่าบูสาวาทาเวรมณีการพูดเท็จเป็นเป็นบาปต้องละเป็นจากการพูดเท็จเวรมณี คุณน้องหลินหลินครับในเรื่องนั่งสมาธิทั้งคืนถึงเช้าต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบตัวถึงได้มีการปฏิบัติที่ที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมเจ้าคะเมื่อคืนนึกว่าอยู่บ้านคงทําได้ความจริงทําไม่ได้คะ่ะก็ขึ้นอยู่กับ NC หรือพร ะ, ะห้าของเราเนี่มากมีมากนะ้อยคนมีกําลังมากก็สามารถควบคุมบังคับตัวเองให้ปฏิบัติได้ทั้งคืนก็นี้ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดที่สํานักปฏิบัติก็ได้ ้่คคุณสมจิตครับอยากกราบเรียนถามว่าทำไมจึงชอบตั้งใจสวดมนต์คะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราถนัดสวดไปแล้วทำให้จิตเราสบายสงบมับนก็เลยชอบแต่มันก็สงบในระดับนึงถ้าอยากใช้มันสงบมากกว่านี้ก็ต้องหลังจากสวดมนต์เสร็จก็ต้องนั่งสมาธิต่ตอดูลำไม้ใจ เพราะเวลาสวดมนต์นยันจิตยันไม่ใช้ความคิดอยู่มันก็เลยสบงบได้ไม่เต็มที่อยาให้จสบงบเต็ที่ต้องหยุดคิดด้วยการเปลี่ยนการสวดมาเป็นการเพ่งเพ่งดูลมาหายใจเ ข, าข้าแทนหรือบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธเพลงคำเดียวคุณเด e m มอร์นิงสตาร์ครับ ถามสองข้อนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์แนะนำให้ลดงานทางโลกลงเอาเวลามาภาวนามากขึ้นซึ่งการทำงานทางโลกโดยมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ถือเป็นการภาวนาหรือคะคือมันเป็นสติแบบวิชชาสติไม่ใช่สมาสติเป็นสติที่ไม่ได้เอื้อต่อการทำสมาธิให้จิตสงบเพราะเป็นสติที่ยังใช้ความคิดปูงแต่งอยู่กับการ ง, งานสติที่เอื้อนี่คือสติที่ไม่คิด เช่นเราไม่ทํางานเราทํางานเป็นงินน้อยๆอยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ําอาบน้ําน้่งหน้าแปรงฟันนั่ประทานอาหารนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ความคิดเป็นใดๆใช้กันการเข้าดูเฉยๆแต่เวลาทํางานนี้บางทีต้องคิดทังนั้นคิดทั้งนี้บวกลบคูณหารบัญชีอะไรต่างๆมันใช้ความคิดเวลามาทําสมาธิมันก็ยังจะคิดต่อ ข้อที่สองครับเวลาไปเจริญสติอยู่บนเขาชิโอนนี่คือจะดีกว่าการอยู่บ้านแล้วภาวนาอย่างไรคะคือได้เราอยู่บ้านกับคนอื่นเนี่ยบางทีคนอื่นเขาก็ส่งเสียงรบกวนแล้วบางทีเขาก็มาช่วนดอกคุยชวนเราทําอะไรต่างๆซึ่งบางทีเราก็รู้สึกถ้าไม่ทําก็จะรู้สึกว่าเราคิดเราไม่มีสังคมกันนี้มันก็จะทําทให้การเจริญสติของเรานี่มันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนี่เราไม่มีใครมารบกวนมาคอยเดินใจเราให้ไปร่วมทำภารกิจอะไรต่างๆของเราเราก็จะได้เจริสติเฉยอย่างต่อเนี่อหยุดความคิดนัาสมาธิได้ต่อเลยคุณพัฒนาครับความคิดหรือจิตชอบทิดปรามาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไปเองโดยเราไม่ได้จงใจคิดแบบนั้นไปเองแบบนี้มีมีกรรมติดตัวแล้วเป็นโทษ มีโทษใหม่ครับแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็มันมันก็เป็นการมือเป็นนิสัยติดตัวเรามาแล้วนยมันก็อย่าทให้เราปลามาพูดอเรืๆๆ่อยๆเพราะเราเป็นคนที่เวียดอัตาอัตาสูงมักจะคิดว่าตอนนี้วิเศษจะพูดอี่นมังจะปละมาพูดอย่อยเรื่อยๆนี่เราต้องแก้ด้วยการปรับตัวเราเองให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ให้เรา นำนับการปลามาพูดด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยพอเวลาเราจะปลามาไใเราก็จะได้หยุดมันได้ด้วยสติคุณแก้วครับกลับเรียนถามพระอาจารย์สวรรค์นรกมีจริงไหมคะหรือเป็นที่จิตจดจำกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้มันเป็นสถานภาพของจิตเวลาจิตเราทุกอ น, นั้นน่ะก็เป็นนรก ้นจิตเรามีความสุขเวลาน้นก็เป็นสวัสคุณเดอะแกนเตอร์ครั บ, าบรรการนวัาชาการพระอาจารย์เจ้าขาเรียนถามกรณีที่สติฟั่นเฟือนวิปลาสจิตนั้นจะรู้หรือคิดหรือเฝ้าดูอย่างไรอีกรณีนะเจ้าขาออกกรณีแรกก่อนก็ได้ครับพอาจารย์ก็เหมือนคนเมาสุราคนเมาสุราเขาไม่รู้ว่าเขาเมาสุราเขาคิดว่าเขาคิดถูกทำถูกพูดถูก คนนี้ก็แบบงเดียวกันคนที่สเสกพันเสือเขาคิดว่าเขาทำสิ่งทิ่เขาพูดหรือทำในสิ่งที่ที่ถูกทําความรู้สึกนึกคิดถึงครับแต่ทางความรู้สึกของผู้อื่นนี้เขาจะรู้ว่าคนนี้บ้าแต่คนบ้าเาไม่รู้ว่าตัวเขาบ้าบถ้ารู้เขาก็จะไม่บ้าใช่ไหมนั่นแต่ไม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละอีกกรณีนะเจ้าคะโรคสมองเสื่อมความทรงจําถดถอยหลงลืมจิตจะรู้คิด หรือเห็นเป็นอย่างไรครับคือเรื่องความจํานี่เราไม่มั่นใจว่ามันอยู่ที่สมองหรืออยู่ที่สัญญาสัญญาคือในอยู่ในจิตซึ่งเราเชื่อในเรื่องของสัญญามากกว่าเชื่อเรื่องของสมองแต่มันก็มีสิ่งที่ทําให้อแย้งอยู่ว่าเวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นความจำํำมุทะจะจ ะ, จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงจะ จ, จำได้น้อยลงไปน้อยลงไปอันนี้ไม่สามารถผลโองความชรานี้มีผลกระทบต่อสัญญาทางจิตใจอย่างไรนี่ไม่แน่ใจแต่สำหรับผู้ที่มีสติสัมมาชัญญาที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เช่นครูบาอาจารย์ถึงอายุท่าน8ปดสิบเก้าสิบปีท่านยังไม่ค่อยลืมไม่หลงไม่หลยอะไรเพราะสติของท่านค่อนข้างที่จะ มั่นคงรู้อยู่ตลอดเวลาว่าท่านกาลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรยัยงนั้นก็เราคิดว่าตามเอาความรู้สึกของเราเนี่ยเรคิดว่าความเสื่องนี้ของของความจานี้มันอยู่ที่จิตใจซึ่งอาจจะมีผลเกิดจากความชราของร่างกายสําหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติปกติสติก็ไม่ค่อยมั่นคง พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมานี่มันกล้ายิ่งทำให้สตินี้น้อยลงไปเพราะจิตใจจะฟุ้งซ่านจะวุ่นวายไปกับความไม่สบายของร่างกายก็ได้อันนี้จึงไม่ไม่กล้าตอบแบบเด็ดขาดแต่ถ้าถามโดยโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าอยู่ที่จิตมากกว่า <Yeah. S 1> ถ้ามีสติดีนี้ความจำจะไม่ไม่สื่อไม่เป็นอาสาีเมื่อ์รับประกันได้ ไม่เป็นดีเมนเชียเหมือนกับก็สังเกตุโยเสยกุบาจะแตลล่ะรูปูอายุเก้าสิบกว่าก็แปดสิบกว่าเก้าสิบกว่านี้จิตขํานั่นยังยังพูดจาคุยอายรได้เป็นปกติคุณขนุนครับ น้อมกับนักาการพระอาจารย์ครับสอบถามถึงวิธีปฏิบัติค่ะว่าหากมีเวลาจำกัดใน1วันสามารถทำได้ประมาณ1ชั่วโมงควรแบ่งเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิ 30-30 หรือนั่งสมาธิทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิแค่30นาทีบางทีจิตก็ยังไม่ทันรวมทา ม, มือก็ดังค่ะก็แล้วแต่เร า, เราพอใจที่นั่งชั่วโมงนึ่งเลยก็ได้ไม่ต้องเดินก็ได้ เพราะการเดิม น, นี้มันสําหรับผู้ที่นั่งมากๆหลายชั่วโมงแล้วทนนั่งต่อมไม่ไหวาเพราะมันเมื่อยก็เปลี่ยนริยาบทดมาเดินเท่านี้แต่โดยหลักง่ายามปฏิบัติสมาธิก็ต้องอยู่ในทาน่านะแต่ถ้าเราปฏิบัติเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่บางทีเราไม่ต้องเดินจับกลมไหนก็ได้ยกเว้ว่าถ้าเรานั่งแล้วหลับเราก็อาจจะลุกขึ้นมาเดินเพื่อให้มันหายหลับเพื่อให้มีสติสตัณฐ์กลขึ้นมาก่อน ก็ค่มานั่งก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะจ ะ, จะจัดสรรเวลาไม่สําคัญสําคัญว่าเราถนัดที่จะปฏิบัติแบบไห น, นคุณพัฒนาครับจิตตกนานแล้วหลายเดือนต้องทําอย่างไรครับกลัวไปหมดครับต้องใช้สติเนี่ยเดินกลับขึ้นมาจิตตกก็คือสติสติหายนีย่ต้องฝึกสติใหม่มันจะน่าพุโทโธพุโทโธ ให้มัควบคุมจิตให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายคอยเฝ้าอยู่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าส่งจิตให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วจิตก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะทําให้จิตเป็นจิตที่มั่นคงคุณมะม่วงครับสวดอิศิษอิติปิโสให้เพื่อนคือเขาป่วย อ, อยู่หมดสติยังไม่ฟื้นเขาจะได้รับไหมคะ ไม่ได้หรอกการสวด น, นี้ถึงแม้เขาไม่หมดสติก็เขาก็ไม่ได้อะไรมากเขาต้องสวดเองจะได้มากกว่านอกจากว่าถ้าเราสวดให้เขานักเขาตั้งใจฟังการสวดของเราอาศัยการสวดของเราเป็นการเป็นการเจริญสติอีกอย่าเขาก็จะได้สติด้วยความสงบเหมือนกับการความธรรมการความธรรมถ้าเราตั้งใจฟังมีสติอยู่การฟังใจเราไม่ไปคิดปุ่แต่มันก็จะทําให้ใจเรามีความสงบขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง คุณลักส์ครับผมถือศินแปไปเรื่อยๆบางครั้งมีความจําเป็นต้องลาศีล8ผมสามารถนึกลาในใจได้ตลอดเวลาเลยไหมครับเช่นวันนี้มีความจําเป็นต้องไปงานเลี้ยงตอนเย็นกับทันหันและสามารถนึกตั้งใจถือศิน8โดยไม่ต้องตั้งสวดสวดสมาทานได้ไหมครับเช่นรุวงขึ้นมาทํางานลืมสมาทานสิน 8, แปดเราก็นึกตั้งสิน8ในที่ทํางานเลยข้อที่1นึงถือสิน8สามารถเล่นเกมในคอมหรือในมือถือด้วยได้ไหมครับหรือดูภาพยนตร์ได้ไหมครับ เกยการถือศีลน 8, ี้แปดศีลท่านนี้เราต้องมีการกําหนดเวลาไม่ใช่ปล่อยให้แบบลอยๆพอจะทำบาปปั๊ก็เลยเลิกถือศีลอย่างนี้มันก็ไม่เท่ากับไม่ได้ถือศีนใช่ไหมมันต้องมีเวลาเช่นจะรักษาศีลหนึ่งวันกันหนึ่งคืนส่วนใหญ่ก็จะให้ถือ บ, บัดนี้จะรักษาศีลหนึ่งวันกันหนึ่งคืนเพื่อเราจะได้รู้ลวงหน้าก่อนว่าถ้าเกิดมีทุกขประภัอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะ เราจะถือศีลนี่หรือไม่ไม่ใช่ว่าถือศีลแบบลอยๆถือศีลไปเลยพอเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าก็ขอมนถือศีลนี่มันก็เหมือนกับไม่ได้ถือพอมีโอกาสจะขโมยอะไรก็ขอเลิกไม่ไม่ถือศีลมันก็มันก็มันก็พอกันอ่ะอย่างนี้ถ้าไปทําผิดศีลมันก็เหมือนกขาไม่ได้ถือศีลอยู่ดีะการถือศีลเพื่อไม่ให้ไปทําสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมไม่งั้นจะถือไปทำไมใช่ไหม พอจะทําบาปก็เลือกถือศีลขึ้นมาเนี่ยศีลมันจะ ม, มีไม่มีมันอยู่ตอนที่เราจะไปทําบาปหรือ ไ, ไม่ทําบาปต่างหตอนที่เราไม่ทําบาปไม่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องถือศีลหรือไม่ถือศีลครับแต่มันจะมีความจําเป็นก็นตอนที่เราจะไปทําบาปการที่ที่เราจะถือศีลนี่เพื่อห้ามไม่ให้เราไปทําบาปกันแต่ถ้าเรามาพอจะเวลาจะทําบาปแล้วก็เลือกถือศีลเสร็จนี้แล้วก็ถือศีลทําไมหมันเสียเวลาหมดบาปเข้าใจไหม ใช่ครับแล้ว็ขาถามมาเล่นเกมคอมได้ไหมครับอาจารย์ไม่ควรหรับถ้าถือศีลแปดมันก็เป็นเหมือนเล่นเกมก็เหมือนการบันเทิงอย่างหรือเล่นกีฬาเตะตะก้ออะไรพวกนี้ก็ไม่ควรนะครับถ้าถอศีลแปดก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการบันเทิงทางตาหูจมูกนิ้วกายต้องมีแต่เดินจะกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะคำเทศคำธรรมไรม่พนะ้าส่วดมนต์เนั้น เป็นสิ่งที่จะพึงกระทําในขณะที่ถึงสิบแปดภาพยนตร์ก็เหมือนกันภาพปยนตร์กันดูไม่ได้แต่ดู youtube ฟังทําได้ครับะถ้าเป็นการฟังธรรมได้หรือภาพยนตร์ที่เป็นธรรมะได้ครับคุณแพทครับ ถามเรื่องการทำสมาธิค่ะปกติไม่ค่อยทำสมาธิจะคิดถึงสมาธิตอนมีเรื่องกระทบใจสังเกตช่วงทำสมาธิสิ่งที่กระทบใจจะฟุ้งออกมาระหว่างทำสมาธิสลับกับการภาวนาจนถึงจุดหนึ่งจิตจึงรวมได้ค่ะและรู้สึกเบาสบายขอเลียนถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะคือที่เขียนว่าระหว่างทำสมาธิสลับกับการภาวนานี้ไม่เข้าใจคพูดหมายถึงอะไรเพราะการภาวนานก็คือการทำสมาธิทำไม เราไม่ทราบว่าคุณเป็นสลับทำอะไรกันยังไงแต่ตรงนั้นทําสมาธิสลับของการภาวนาการภาวนาก็คือการทําสมาธินี้สมธาธิภาวนาวิ ป, ปวาาัสสนาภาวนามราไม่ทราบจะตอบอย่างไรการนาสมาธิด้วยการภาวนานี้ก็คือการควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบไม่ให้คิดปุ่งแตกให้จิตรวมเป็นหนึ่ง อันนเดียว่มมากนนารนั่งกอารทำสมาธิหนือการภาวนาอย่านี้คุณกำมลรถครับขอถามเรื่องโลกโรคหน่อยนะครับมีลูกแฝดหญิงแฟนไปดูไพ่ ย, ยิปซีว่าอีกคนได้พึ่งอีกคนไม่ได้พึ่งแล้วเริ่มมีความลำเอียงเกิดขึ้นควรวางใจอย่างไรกับคําทํานายนี้ครับก็อย่าไปฟังเลน มันอน า, าคตไม่มีใครรู้แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพึ่งได้ไม่พึ่งได้มั น, นมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่ทําให้ความเมตตากับลูกๆเท่าเทียมกันแต่การให้ความสําคัญต่อแต่คนนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้เช่นถ้าคนที่ดีกไปคนหนึ่งนเราอาจจะให้ความสําคัญกับคนที่ดีกับคนที่ไม่ดีก็ได้แต่เรื่องของการเลี้ยงดู ให้เขามีปัจจัยสี่ที่ที่ทําให้เขาอยู่ได้นี้อันนี้ก็อาจจะให้เท่ากันแต่เรื่องอย่างอื่นนี่อาจจะให้ไม่เท่ากันก็ได้เช่นสมมติแบ่งมรดกนี้ก็อาจจะให้คนที่ทําคุณทําประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่ได้ทําคุณทําประโยชน์ก็ได้อันนี้เป็นเสร็จของพ่อแม่แ ต, แต่ความเมตตาความรักความเป็นดูต่อโลกมันก็ต้องควรจะมีเท่าๆกัน ในเรื่องของความเรื่องงานดูแลในในเรื่องพื้นฐานเรื่องการเกณฑ์กันกอยู่อะไรผล ย, ลยให้เขาเท่าเท่าเท่าเทียมกันแต่ถ้าเป็นของของแถมของโบนัสนี่ก็อาจจะพิจารณาตามผลงานก็ได้นะอย่างอย่างบริษัทก็จ่ายเงินเดคนงานเท่าๆกันแต่เวลาแ จ, จากโบนัสนี่ก็อาจจะดูผลงานว่าคนนี้ทํางานได้ ทำงานรายได้ให้กับบริษัทมากกว่าอีกคนหนึ่งจะไปให้โบนันเท่ากันได้อย่างไรเเขาก็าาต้อให้ตาผลงานอันนี้ลาจะแยกเป็นสองส่วนได้อันนี้ตามความรู้สึกของเราแนหะตามวิถีขเราคุณดอกบัวครับมีหลวงพ่อและเนนมาบิณฑบาตในหมู่บ้านมีวันหนึ่งหลวงพ่อมาเล่าและมีอีกวันถัดไปเนนเนนมาคนเดียว ลูกเลยถามเนนว่าเมื่อวานหลูเพาะเมาเหล้าเหรือเนนเนนตอบไม่รู้ลูกขอคําแนะนํำจากอาจารย์เจ้าค่ะก็เนนเก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ เ, เลยตอบไป่รู้ซึ่งก็เป็นการก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงว่าเขาไม่รู้ครับก <c oughs> ็ก็ไม่รู้จะต้องไปขอคําแนะนํำเลยถ้ารู้ว่าเมาเล้าก็ตอบไปก็อย่าไปใส่บาตรให้ ให้พระที่มาเรา เ, เพราะพระเป็นพระผิดศีลแล้วก็มันไม่ได้เป็นพระที่สมบูรณ์อาไว้เหมาะสมต่อการสนับส น, นุนทางด้นานปจัจจัยศีลอย่างยากอยู่คุณวีนาครับทําไมบางคนปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิตแต่ทําบาปครั้งเดียวก่อนตายจะไปอบายไหมคะเช่นการทําผิดศีล่ะกับความเมตตาครับก็แล้วแต่าบาปนั้นแรงไม่แรง มากกว่าบุญที่เราทํามาตลอดชีวิตหรือไม่อย่างเช่นพระเทพบัตต์นี่ก็ก็บวชเป็นพระหลายปีรักษาสีของพระได้มาตลอดแล้วก็มีมีอภิน ญ, ญาแต่ามาทําบาปด้วยการที่พยายามจะฆ่าพระพุทเจ้าถึงสามครั้งยิง่งถือว่าเป็นบาปนี้หนักมากกว่าบุญที่ได้ทํามาตลอดชีวิตบาปนี้ก็เลยส่งผลก่อน สองไล่ไปตกนรกแต่หลังจากที่บาปนี้ได้ใช้หมดไปแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์น่าก็จะได้บรร่วมเป็นพระปจิจจคุณเจ้าต่อไปเพราะบุญที่ได้ทําไว้ตลาดชีวิตนี้ยังไม่ได้ส่งผลถูกบาป ท, ที่ทําไว้หนักนี่มันก็เรียกว่ามีมีบุญแต่กรรมบงังยถูกกรรมบงังไหมบุญมัน ย, ยังไม่สามารถส่งผลต้องไปใช้กรรมให้หมดก่อน เพรการหวดกำลังที่จะมาบาังบุญบุญไม่จะสามารถแสดงผลต่อไปได้นั้นไม่ได้มีอะไรแน่นอนี่อย่าไปกังวลมากเกินไปพยายามทำบุญให้มากๆอย่าไปทำบาปคุณบรรสุขครับคำกล่าวว่าสาธุแท้จริงผู้ใดควรเป็นคนกล่าวผมเข้าใจว่าผู้มีอาวุโสหรือผู้มีตำแหน่งสถานะเหนือกว่า แต่ความเป็นจริงทั่วไปเวลาพระให้พรแล้วสาธุชนกล่าวพร้อมกันว่าสาธุครับคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วยังไงจะพูดก็ได้แปลว่าดีแล้วพระให้บอนเสร็จก็สาธุดีแล้วเจ้ายัเวลาโยมถวายของพระว่าสาธุดีแล้วที่ได้ถวายของก็ได้ทั้งนั้นแปลว่าดีแล้วนั้นดอ คุณกิติพงศ์ครั บ, ถ, enrolled, รบถ้าย ologist, ะะังสงสัยในสมาธิกลัวจิตวิปลาสเกิดขึ้นเพราะกิเลสข้อใดแล้วจะแก้ด้วยทำบทไหนครับก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าสมาธินี้เป็นอย่างไรเปศึกษามันจะสมบอกว่ามีฌานสี่ฌานแต่ละขั้นนี้มีคุณลักษณะอย่างไรมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุไล่ไปเรื่อยๆจนถึงฌานสี่ก็แล้วแต่โเบคา ในคัคตาโรอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เราจะนั่งจากสมาธิแต่ถ้านั่งแล้วไปเห็นน้ำเลอกเห็นสวรรค์เห็นผู้ผีปีศาจ เ, เห็นว่าเห็นน้ลืกชาติอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเริ่เป็นจิตวิปลาสขึ้นมาแล้วเพราะมันไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดผลต่ามที่ได้แสดงไว้ในในในในชานติขั้นต่างๆการนั่งสมาธิก็คือการเข้าชาติขั้นต่างๆ ถ้านั่งเราไหวให้จิตคิดปรุงแต่งเห็นเทพเห็นเทวดาเห็นนั่นนู่นเห็นนี่อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เรื่องมโนของจิตปรุงแต่งขึ้ น, านมาแล้วก็ไปหลองเชื่อว่าเป็นของจริงขึ้นมาก็เลยวิปลาสขึ้นไปจิตตามที่ผงแต่งว่าเราเป็นอรหันต์แล้เราถึงนิพพานแล้วก็ไปเชื่อมันอย่างเนี้วันยนี่ไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงแล้วการที่จะบรรลุนิพพานนี้เราต้องทำอี่ย ไม่ได้ศึกษาไม่ได้หรอไม่ศึกษาแล้วนั่งสมาธิแล้วปล่อยไม่มีไม่มีสติคอยควบคุมจิตไปให้จิตมันโมเมนขึ้นมาเองเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้คุณเอมาเอครับเวลาจเจริญเมตตารู้สึกว่าจิตส่งออกไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางไม่มีพลังต้องแก้ยังไงครับพราะตอนนั้นจิตยังไม่มีโอเบคานั่นเอง ต้องเจริญสติด้วยอนาป น, นสติด้วยพุโทโธจะดีกว่าให้จิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นการแล้วต่อจากนั้นจเจริญเมตตาก็ได้จิตก็จะเป็นการอยไม่เลือกที่รักมากที่ยางสามารถเจริญวามเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงได้คุณลิลลี่ครับลูกถามว่าคนเกิดจากไข่และสเปิร์มแล้วจิตมาสิงได้อย่างไรคะ จิตไม่ได้เสียงนบจิตเพียงแต่มาเกาะที่ตาหูจมูกมิ้นกายของร่างกายนั่นเอจิตส่งกระแสที่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมีอยู่ห้าเส้นเกาะที่ตาหูจมูกมิ้นกายแล้วก็รับข้อมูลที่มากระทบกับตาหูจมูกมิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสกับสัมผัส ท, ที่เรียกว่าผลกับพแล้วก็จะวิญญาณนี้ก็จะรับอาอยตนะภายนอก คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะนี่ไปที่ทุ่งหายใจใจก็จะรับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรดีไม่ดีสุขไม่สุขแล้วก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ ข, ขึ้นมากับการได้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ใจไม่ได้ใครสิงในร่างกายใจเป็นเหมือนคนอ่าคนขี่ม้าอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าไปในท้องมาใจเป็นคนขี่ม้าน แล้วองเคนขับรถเนะี่ยมันขับ่าก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์แม้ไม่ได้เป็นไปเป็นส่วนหนึ่งของของเครื่องเครื่องยนต์ของรถยนต์เช่ น, นเดียวกันแต่ผู้ไปนั่งกากับควบคุมรถให้วิ่งไปวิงว่งมาเนี้ยวซ้ายเลียวขวาอะไรนั่นนี่แต่คนขับกระจายคนขับรถก็เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันแยกกันชัดเจนคุณปลายเล็กครับสอบถามครับ การปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นคือการรักษาศีลคืออันดับแรกใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นฆราวาสนี้ก็ต้องทําทานก่อนอันดับแรกต้องทําบุญทําทานสลรทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนเพื่อไม่ให้เราใช้เงินทองไปในการสนับสนุนกิเลสกันหาที่เป็นต้นเหตุของการทําให้เรา ติดอยู่ในการเป็นไม้มาตายเกิดผ่ตัดอ่ะการอันนี้ก่อนตัดเครื่องมือของกิเลสก่อนก็คือเงินทองที่เรามีอยู่เงินทองที่ไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้สําหรับเรื่องดูร่างกายอเราอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือของกิเลสที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้กิเลสเอาไปใช้พราะถ้ากิเลสเราไปใช้แล้วมันก็จะทําให้เราติดอยู่กับการ ใช้เงินใช้ทองหาความสุดอยู่ในตายพพต่อไปเราต้องเราใช้เงินตามความต้องการของกิเลสใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปซื้อของบันเทิงอะไรต่างๆหืือของของหรูหราของของแพงๆอะไระทำนองนี้ซเจ้าหน้ืที่ของกิเลสรามังินนี้ไปทําบุญเสียตัดทางเดินของกิเลสแล้วเราก็ จะได้ไม่ต้องใช้เงินมากเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้เงินตัดคามกิเลสแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องหาเงินมากที่เราหาเงินมากกับทุกวันนี้แล้วก็ไม่เคยพอใช้สักทีกบเพราะใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้กับกิเลสใช้กับความอยากนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่งไม่พอต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่มีเวลาที่เราจะไปรักษาสี่งไปเจริญสติสมาธิปัญญานั่นเอง ในเรื่ต้องต้องต้องตัดการใช้เงินใช้ทองเพื่อกิเลสออกไปก่อนแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องหาเงินหาทองมาสนับสนุนกิเลสเราก็จะลดการทํางานให้น้อยลงได้ทํางานเพื่อนี้ปากเลี้ยงเทก็พอหรือถ้าเราสามารถหาได้มากเราอาจจะเก็บไว้ใช้ได้ต่อไปเราก็เลยอาจจะไม่ต้องทํางานอะไรก็ได้ เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เลยก็ได้ในการรักษาเสียงสมาธิและปัญญาตามลาดับต่อไปเน่อถ้าเป็นคารวะเยังใช้เงินใช้ทองอยู่ต้องเลิกใช้เงินใช้ทองเสื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองนีไ้ไปทําบุญทาทานแทนหรือแม้ฉะนั้นก็เก็บเอาไว้ให้มาสนับสนุนการปฏิบัติธรรมลาออกจากงาน ทำที่มีส่วนเกินที่จะไปใช้กับกิเลสนี้มาใช้กับการปฏิบัติทาแทนคุณธนวันครับร่างกายมนุษย์ของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมาจะมีอายุไขยที่ถูกกาหนดมาแล้วจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ก็มันอยู่ที่หลายปัจจัยด้วยกันนะมุนกรรมที่เคยทำมาก็ไม่ส่วนมุนมักจะทาให้มีอายุยืนขึ้น กรร ม, มักจะทำให้อายุสั้นลงบาปกรรมแล้วมันก็อยู่ที่พันธุกรรมของร่างกายด้วยว่าร่างกายที่ได้มาจากพ่อแม่นี้เป็นพันดีหรือไม่ดีใช่ไหมถ้าพ่อแม่มีโลกโรภัย้เจ็มันอาจจะถ่ายทอดมาสู่ลูกก็ได้โรคที่มีโรคอะไรต่างมันก็ จ, จะทำให้ร่างกายอยู่ไม่ได้นานก็ได้ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไม่มีใครกำหนดว่าจะอยู่ได้นานหรือไม่นานมันอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายหลายๆส่วนด้วยกันที่จะเป็นตัวมากำหนดแล้วก็อยู่ที่พฤติกรรมของผู้ผู้ใช้ร่างกายนี้ว่าใช้ร่างกายแบบแบบระมัดระวังแบบทนุธนอมหรือใช้แบบมุทะลุรใช้แบบทวหลนมันก็จะทำให้มีส่วนที่ทำให้อายุขัยนีสั้น คนเราใช้ร่างกายมาเดินชัวร์ไล่มาเล่นการมานั้นมาสูบบุ่อะไรมเที่ยวจนกลางคืนอยู่ด็กๆดิดดดดดนดพักผ่อนหลับนอนไม่พอไม่ออกกำลังกายอะไรท่านนองนี้นพฤติกรรมเหล่านี้มันก็มีส่วนที่ทําให้ให้ชีวิตของของคนเราสร้านหรือยาวนานนี่กันและมันมีเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยตามตามศามสนาคือไม่มีไม่มีผู้ใดมากําหนดตายตัวว่า คนนี้เกิดมาแล้วจะต้องมีอายุแค่สามสิบคนนี้เกิดมาแล้วจะต้องมีอายุห้าสิบมันอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายด้านคนนี้ก็อยู่ที่ความประพฤติประมาทเดื่มชาลาเมาแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ยอย่างนหรือเมาแล้วก็ไปเดินข้ามถนนไม่ได้มองให้รอบคอบถูกรถชนตายก็ได้มันมีหลายอย่างด้วยกันที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําทให้อายุของคนเหล่านี้ยาวด้วยั้น คุณนัดครับคําถามข้อที่หนึ่งนะครับได้อ่านหนังสือลุงวีดที่ท่านใช้ชีวิตอยู่แบบคารวาสมีภรรยาท่านก็ภาวนาจนเสร็จกิจได้แสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปบวชที่วัดแต่ปฏิบัติที่บ้านก็เสร็จกิจได้ใช่ไหมคะก็ลักิเลตได้ดก็เสร็จได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้ายังมีภรรยาอยู่นี่ก็ไม่ทราว่ามีกิจกรรมกับภรรยาหรือเปล่า เพราะโดยปกติผู้ที่เสร็จกินแล้วส่วนใหญ่เขามักจะไม่อยู่บ้านแนละ้วเขาไปเขาไปบวชกันในยุคสมัยพุทธการนี้ตามที่พระสูตรได้แสดงไว้เวลาคาลาวะาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติได้บรุธรรมปั๊บก็จะขอบวชกักพรุ่เจ้าเลยข้อที่สองครับแล้วคนที่ไปบวชกันเพื่ออะไรคะับพดีหนูเข้าวัดปฏิบัติธรรมานานแต่นอกจากตัวพระวิปัสสนาจารย์ที่ท่านประเสริฐมาก คนวัดและลูกศิษย์ทั้งหลายวงเดบบ่าไม่ใช่ทุกคนดูกิเลสมากมายหรือเกินคะ่ะโลภอยากได้ของกินของใช้อยากได้เงินหรือผลประโยชน์ต่างๆเวลาไปภาวนาที่วัดกลับไม่สบายใจเสื่อมศรัทธาคนวัดคะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่จะเข้าวัดนี่มีหลายระดับเนี่ยคนที่มีกิเลสเข้าวัดก็มีคนที่พยายามไปไปไปแล้วละกิเลสก็มี นั้นมันก็เลยทำให้เราสับสนได้ก็ต้องดูคนที่ดีคนที่เข้าบวชแล้วเขาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำตัวให้อย่างครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเราต้องรู้จักแยกแยะรู้จักเหมือนกับปล า, ปลาน้ามนเข่งแล้วก็แยกปลาน้าออกไปจากเข่งไม่ใช่ยอนทักเข่งปลาทัเข่งทิ้งไป คนที่เข้าไปอยู่ในวัดก็เหมือนไม่อยู่ในเข่งเดียวกัน ท, ทั้งมีท่านคนที่มีกิเลส น, นะมีกิเลสบางมีความปรารถนาที่จะละกิเลสหรือไม่มีความปรารถนามันก็แล้วแต่มันก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันต้องทำความเข้าใจให้เข้าใจว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของวัด น, นอกจากว่าเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่เข้มข้นที่คอยคัดกรองคนที่เข้าไปอยู่ในวัด ออนนี้เราจะมากชะไม่ค่อยเห็นคนที่เป็นไปด้วยกิเลสเข้าไปเพราะครูบาอาจารย์ท่านจะค่อยคอยกาจัดใครพอมีกิเลสมากทม่ท่านจะได้ออกจากวัดไปเลยมีพี่ปุ้ยครับเลียนถามครับบันพุทธหน้าตรงกับข้าพันษาพระอาจารย์จะเข้าสู่ไหมคะเข้าอยู่ก็เข้าตามปกติพรามันไม่มันก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ตอนกลางคืน ปุญญาชาครับตั้งความหวังว่าชาตินี้อยากจะบรรลุธรรมอย่างน้อยก็ขั้นพระโสดาบันค่ะทุกวันนี้ตั้งใจสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและวันพระพยายามถือศีลแปดมาเกือบห้าเดือนแล้วมีบางวันพระที่กินอาหารเกินเที่ยงวันไปบ้างแต่มื้อเย็นงดค่ะตอนเช้าใส่บาตพยายามจะไม่ให้ขาดทําบุญตามการนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยเป็นเวลาบางทีสงบดีมากๆแต่บางทีก็ฟุ้งซ่านค่ะว่าต้องทําว่าไม่มากขึ้น พยาาทำให้ได้แบบสม่ำเสมอแล้วก็มากขึ้นที่ไหนจะต้องซื้อสินแต่ตลอดเวลาแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติให้มีมากขึ้นมดการลดการไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเพราะการจะมารูทำน้านนี้ต้องเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวน า, า, าก็จะ เปลี่ยนวิธีของการทำบุญหรือาอาจจะงดเลยก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะให้ความเข้มข้นต่อการภาวนาะเราต้องปรับรูปแบบของการปฏิบัติของเราให้ภาวนาะให้มากขึ้นรักษาศีลได้อย่างสมับเส ม, สมอตลอดเวลาแต่โดยสำคัญที่เราบรารลุธรรมก็มคือสมถมและวิปนะัสสนาภาวนา คุณสมพรครับถ้าโยมทานอาหารแบบอย่างชีพอาจานไม่ครบอาหารห้าหมู่ในแต่ละวันอย่างนี้โยมจะได้รับสารอาหารครบไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะทางพ้าเราไม่ค่อยได้กังวลขอให้กินแล้วอิ่มแล้วกันจะครบไม่ครบก็ไม่เป็นไรมั น, จ, นจะสทร์ศรีฐานพิจารณาว่ารับประทานอาหารนี้เพื่อมาหนับความหิวที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหายไปและป้องกันความหิวใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพจะได้ใช้ร่างกายนี้ให้กับการปฏิบัติธรรมต่อไปคือ ท, ทางพรเราจะต้องพิจารณาอยู่เนี่อร่างกายเป็นของชั่วคราวบางทีจะครบไม่ครบไม่สำคัญหราะมันทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมได้ก็โอเคแล้วยิ่งถ้าเป็นนักบวชเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องได้ว่าจะต้องวันนี้ต้องมีอาหารให้ครบห้ากลุ่มนะยมใจมาให้ครบนะ ถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวก็กลายเป็นผ้าจู้จี้จุกดๆเลยดีไม่ดีอาจจะทําให้คนใส่มาใส่บาตรนำขางไม่ใส่ดีกว่าโยกชิพาย <c oughs> <c oughs> เป็นผ้าที่ต้องสันโดดต้องยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็กินไปดับความหิวเป็นแับความหมายเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วดก็พอจักรุงชายครับอ่า กาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์บังเอิญมีกิ้งกาวิ่งเข้ามาพอดีผมก็เลยเหยียบมันผมหันหลังไปดูมันชักดิ้นชักงอผมไม่มีไม่มีเจตนาฆ่ามันผมจะบาปไหมครับขนาดมดขึ้นจากข้าวจารย์ข้าวผมต้องปัดมดให้หมดก่อนก่อนนาจานไปล้างเวลาผมตักน้ําำติ ด, ดลูกน้ําผมก็ต้องปล่อยลูกน้ํากลับลงไปในถังน้ําอีกครั้งครับกลัวบาปคร ไม่บาปหรอถ้าเราไม่ได้ทำดนะ้วยเจตนาและไม่มีควัมตั้งใจทำก็ถือว่ามป็นอุบัติเองนะเป็นเหตุสุ่วิสัยคุณผู้หญิงพัทยาครับถ้าเราจะภาวนาเองอยู่บ้านเจ็ดถึงสิบวันต้องทำอย่างไรบ้างคะและห้ามทำอะไรบ้างคะก็ถือศีลแปาแล้วก็ไม่ทำอะไรเดินจงกนั่งสมาธิจะลรังสติตทั้งวันทั้งคืน เรียนถามเรื่องการเห็นร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟนั้นไม่ทราบว่าเห็นเป็นแบบไหนถึงจะเป็นแบบผู้เห็นธรรมคะเห็นแล้วปล่อยวางร่างกายได้ดนล้วเนี่ยร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนใดของมันคุณพ ร, รัตครับคนที่สามารถจัดการปัญหาชีวิตให้ผ่านได้ทุกอุปสรรคทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังที่ทําได้ทําให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรครับ ก็ความสุขมันเกิดจากการที่เราได้ช่วยเยวหลือผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาทุกข์ยากเกิดมาแล้วเราช่วยบันเทาความทุกขยากันให้เขาเปความสุขมากวราก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาตามเพรไปจากการกระทาการเสียสละของเราที่แสดงว่ไม่เคยทำความดีเลยมาทำความทําคุณสมพรครับบุญกริยาสิทธิประการบุญใดควรทํามากที่สุด เพราะเหตุใดและมีวิธีการทําอย่างไรครับก็บุญเสร็จนี่มีแบ่งไว้เป็นสองส่วนก็เลยมีการอาหารอาหารนี่มีอาหารหลักการอาหารเสรอาหารหลักนี้ำดื่มทุกวันทุกเมื่อส่วนอาหารเสริมนี่แล้วแต่โอกาสบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีก็ได้อาหารหลักนี้ต้องมีคือข้าวกับข้าวกับน้าอะไรอย่างเงี้ยน้ำดื่ แต่ส่วนผลไม้ของหวานขนมนมเนยนี่อาจจะเว้นบ้างถ้าไม่มีก็ไม่กินก็ไม่ไม่ไม่เดือดรอนบุญสิบนี่ก็แบบ่งไว้เป็นบุญหลักกับบุญที่บุญเสริมบุญเสริมก็คือทำตามโอกาสมีโอกาสทําก็ทำแต่บุญหลักไี่คนจะทําทุกวันทําตลอดเช่นบุญหลักก็คือทําบุญทำทานอยู่เรื่อยๆไว้จากการเรื่อง โดยทำบุญสายบ า, าตแล้วแต่กรณีสองรักษาศิลตลอดเวลาทีหน้ารู้ศิลแปดนี่แล้วแตรักษาสามภาวนาทุกวันฝึกษติเงินอยองของนั่นสมาธิละสี่ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาห้าก็มันจเจริญสมาทิจิอยู่ให้มีความเห็นชอบให้เห็นว่า กดแห่งกรรมนี้มีจริงทําบุญไปสวรรค์ทำบาปไปอบายนี่ม่จริงการเป็นว่าตายเกิดมีจริงการชื่นชมของการเป็นว่าตายเกิดมีจริงทุกใจเกิดจากตัณหากิเลสความอยากต่างๆทุกใจหมดไปเมื่อกำจัดอันนี้เป็นสัมาทิฏฐิที่คนยังมีอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือดุลห้าประการส่วนใน5้าประการนี้ก็ทําไปตามโอกาส คืออุทิศบุญถ้าเกิดวันไหนเราใส่บาตเสียบาตก็อุทิศบุญได้ถ้าไหนเราไม่ได้ใส่บาตไม่ได้ทําบุญวันนั้นเราก็ไม่ต้องอุทิศบุญการรับใช้ผู้อื่ก็แล้วแต่โอกาสน้ามีใครที่เขาเดือดอร้านที่ต้องการความช่วยเหลือจากการกระทํำอะไรของเราให้กับเขาเรามีโอกาสทําได้ก็ทําให้เขาไปเช่นเพื่อนบ้านอาจจ ะ, ะมีมีความเดือดร้อนอยากให้เราไปช่วยซ่อมบ้านให้เขาเรื ได้อย่างใอย่างหนึ่งที่เราพอจะช่วยเหมือนก็ไปปด้เราก็ทำไปนี่คือเรียกว่าการรับใช้ผู้ช่วยเนี่ยผู้การออกน้อษ์ทำตนอันนี้เวลาเราวบปะเปิดคนเรก็คนจะทำตัวเราให้ให้ต่ำไเอย่าไปทำตัวญิงยัสโวว่าจาทำให้เราไม่เป็นคนที่น่าพบกค้าสมาคมด้วยแล้วก็ ข้ไหนเวลามีคนเขาทาบุญแล้วก็ไปเรื่องของอนุโมทนาบุญกับเขาไปได้ส่งเสริมสนับสนุนการทําบุญของผู้นม่ว่าอนุโมทนาบุญแลถ้าเรามีธรรมะแล้วมีใครเข้ามาขอปรึกษาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่เราสามารถแนะนําให้เขาได้แล้วก็ให้ธรรมะกับเขาไปอันนี้ก็เป็นการทําบุญด้วยธรรมะอย่างนี้เป็นต้น คือบุญเสริมแต่ถ้าไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีเหตุที่ทำให้เร า, เราทำบุญเหล่านี้เราก็ไม่ทำกันนะแต่เราไม่ควรขาดบุญหลักเป็นบุญที่จะพาให้เราออกจากการเป็นว่าตาเยเกินก็คือทานศีลภาวนาฟังเทศน์ธรรมน่ามีความเห็นที่ถูกต้อง คุณมาสเตอร์ปฏิหารครับทำบุญถวายทองคำสร้างพระมหาเจดีย์ได้อนิสองส์อย่างไรเจ้าคะก็ได้บุญได้ความสุขใจ่นใจได้สวรรค์ขึ้นมาในใจส่วนภายนอกก็ได้เจดีย์ที่มีทองคำครับคุณเตือนใจครับกับฐานป้าจายค่ะผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าอะไรคะก็ผ้าผืนหนึ่งที่ผ้าเหมือนผ้าคันมาท่า ผ้าขาวม่านที่คาราวาใช้ใช้สมัยก่อนเขาไม่มีห้องน้ําเวลาเขาจะอาบน้ําก็ใช้ผ้าผ้าขาว่านนี่คาดเอวแล้วก็อาบน้ํากันก็เหมือนสโลงของหญาเยว่เนี่แหละของผู้หญิงก็เป็นสโลงของของผู้ชายก็เป็นผ้าขาว่าซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็นะเพราะมีห้องน้ํากันสมัยก่อนนี้ส่วนใหญ่เราไม่มีห้องน้ําอาบน้ํากันเราก็จะอาบน้ํานอกอาบน้ำจำนาทานนาห้วยอะไรเนี้ย อันนี้สมัยก่อนก็ต้องใช้ผ้าอาบน้ําฝนเหมือนกันก็เป็นผ้าสมงศ์อีกผืนหนึ่งพูดง่ายๆผ้าสมงศ์ผ้าที่พระใช้นุ่มไว้ใช้นุ่มผ้านุ่มแต่พระเจ้าสอนอนุญาตให้ใช้ในช่วงฤดูฝนเวลาฝนตกก็เลยใช้ผ้านี้อาา่ออาบน้ําฝนได้อาน้ำที่กับแจ้งได้ไม่ให้ร้อนจัดเพราะมีเรื่องมีเหตุที่ทําให้ต้องให้พระ มีภาพน้าฝนเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะไม่มีการถวายภาพน้ำฝนพอดีนางวิสาขานี่เป็นผู้มีอ่าเป็นรู้สึกจะเป็นท่าสุวดาณวัดแล้วแล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำาุ้บความรมมทศาสนาด้วยการอยากจะถวายน้ำปนานะให้กับพระที่อยู่ในวัดแห่งหนึ่งก็ส่ง คนรับใช้ให้ไปดูว่าที่วัดตอนนี้มีผ้ากี่ลูจะได้เตรียมตัวนำนำ้าน้ำประําน้ำไปถวายให้ครบทุกรูปขณะที่ไปถึงวันดีช่วงนั้นฝนตกหนักที่วัดท่านก็เลยถือโอกาสอาบน้ำเลยตอนนั้นจะได้ไม่ต้องไปอาบที่บอ่อหรือที่ลําชายในยุคนั้นถ้าไม่มีผนะ้าอน้ําท่านก็เลยเปื่อยกายอาบกันในวัดซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีคาราวานอยู่วันนี้ อคนรับใช้ที่เป็นผู้หญิเข้าไปเห็นก็ตกใจเห็นภาพเปลือยกาย ก, ก็เริ่มรีบวิ่งกลับมารายงานให้กับนางวิสาขาว่าที่ว่าไม่มีภาพเหลืออยู่เลยมีแต่พวกชี้เปื่อยอาบน้ําฝนกันอยู่แต่นา ง, นางวิสาขานี่เป็นคนฉลาดรู้เรื่องเองขอพาพระดีเพราตะตอนนั้นพระท่านถือแค่ผ้าสามผืนถ้าพา้าผ้าสมองมาหอมมาอาน้ําฝนด้วย ถ้าก็จะเปลี่ยนก็จะไม่มีผ้าหม่มเวลาจะอาบน้ําฝนเสร็จแล้วก็เลยกราบขออนุญาตให้พระเจ้าทรงบัญญัติให้มีการถวายผ้าน้ําฝนให้กับพระในช่วงฤดูฝนเวลาฝนตกพระท่านอยากจะอาบน้ําฝนก็จะได้มีผ้าอาบน้ำฝนแต่เดีนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็มีห้องอาบน้ากัน คุณลักยิ้มครับอบวิชากับทิฐิโยคะเหมือนกันหรือไม่ครับไม่ทราบนะอวิชาก็ไปไม่รู้การไม่มีวิชาสทิถิโยคะนี่ไม่ทราบมีความหมายว่าอย่างไรลองถามก o เกิลดูหน่อคุณคุณคำมีครับกับนวัตการพระอาจารย์ขาดลูกสวดมนต์ทุกวันทั้งก่อนนอนและตื่นนอนหลังจากสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธิสิบนาที ระหว่างวันรู้สึกกายได้บ้างแต่ยังหลงหลงนานอยู่แต่จะทำไม่เลิกพยายามเจริญเมตตาต่อผู้คนรอบข้างทำให้มีความโกรธลดลงลูกมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกทางแล้วแต่คนยจะเพิ่าทำเพิ่มให้มากขึ้นมาขึ้นต่างตัา คุณอ้อครับการนมัสการเจ้าขาเรียนถามเรื่องการปฏิบัติจําเป็นต้องสวดมนต์บทต่างๆก่อนหรือไม่ในส่วนตัวจะนั่งสมาธิเลยเจ้าขาสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายและกรวดน้ําเลยเจ้าขาไม่ทราบอันนิสง์จะเป็นอย่างไรปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าขาการนั่งสมาธินี่ถ้าเราสามารถนั่งได้เลยก็ไม่จําเป็นจะต้องสวดมนต์ก่อนเพราะการเสวดมนต์นี้เป็นสําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้เนื่องจาก จิตยังไม่ค่อยสงบพอจิตยังคิดฟุ้งซ่านากับเรื่องราวต่างๆก็าจิตที่คิดฟุ้งซ่านนี้มาคิดเรื่องบทส่วนมนแทนเพื่อบรรเทาความคิดให้เบาหลงังจากส่วนมนต์เสร็จแล้วก็อาจจะสงบพอที่จะนั่งสมาธิต่อได้ส่วนเรื่องอย่างอื่นนี้เรื่องแผ่เมตตาให้กับตอนนีงนี่มันไม่ทราบว่าทํำยังไงแผ่เมตตาส่วนใ้แผ่เมตตานี้ท่านสอนให้แผ่ให้กับคนอื่น ตราเองไม่ต้องแผ่เมตตานอกจากว่าถ้าเราจะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเรถึงต้องแผ่เมตตาครับตัวเราอย่าทําร้ายตัวเราเองคุณแองเจลติฟาครับกราบเรียนถามอาจารย์เวลานั่งสมาธิถ้าเรานั่งเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมีอาการปวดเมื่อยเราควรที่จะทนต่อไปโดยไม่ขยับหรือเราสามารถขยับเปลี่ยนท่าเพื่อลดเวทนาลงให้สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้ยาวขึ้นคะ อ๋ถ้าเราทนได้แล้วปล่อยให้มันเวทนาหายไปได้เราก็จะได้เราก็จะได้ผ่านเวทนาได้แต่ถ้าเราทุกครั้งที่เจ็บแล้วเราขยับหนีอาการเจ็บปุดถึงแม้จะได้ด้านได้ฐานขึ้นต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่แเพราะเราไปเจอเวทนาอีกเราก็จะต้องปรับการนั่งใหม่เราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราจะไม่สามารถผ่านเวทนาไปได้ การผ่านเวทนานี้มีประโยชน์มากเพราะต่อไปเวลาร่างกายเราเจ็บไายแล้ปวยเราจะได้ไม่ทุกทรมานไปกับความเจ็บปวดของร่างกายเพราะเราผ่านเวทนามาได้แล้วเราก็จะอยู่กับเวทนาได้อย่างสบายไม่รู้สึกเหนื่อยนอนงั้นถ้อยากจะผ่านเวทนาก็ต้องนั่งต่อไปก็ต้องบำเพ็ญจรัสเตะให้มากขึ้นอย่างนั่งเฉยๆพยายามบริกรรมพุทโธให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้จิตนั่ง นั่งเฉยๆดูเวทนายิ่งนั่งยิ่งอยากจะให้เวทนาหายยิ่งมีความทรมานใจเพิ่มมากขึ้นนั่งพยายามอย่าให้ไปเกิดความอยากให้เวทนาหายโดยการพยายามเอาจิตมาสวดมนต์ยกทัก ห, ห, หรือบริกรรมคําบริกรรมนี้ให้ถี่ให้นานไม่ให้จิตไปคิดถึงอาการเจ็บปวดแล้วบางทีจิตก็จะลืงแล้วอาการเจ็บโกรนนั้นก็จะไม่มารบกวนใจ ใจก็สามารถอยู่กับเวทนาหรือผ่านเวทนาไปได้คุณฉลองครับอยากทราบว่าการทํางานของขันห้าที่ทําให้เกิดวิญญาณทั้งหกนั้นเขาทํางานอย่างไรถึงเกิดและไม่เกิดวิญญาณครับวิญญาณนี่มันเป็นเป็นความสามารถของจิตเนี่ยจิตนี่มีความสามารถอยู่สี่สี่อย่างด้วยกัน จ่สามารถส่งกระแสวิญญาณนี้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกนิ้นกายได้อันนี้มันไม่ได้เกิดมันเป็นของที่มากับจิตอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มีความสามารถแบบนี้จิตใช้วิญญาณนี้มาเชื่อมต่อกับร่างกายก็จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิปป้นกายของร่างกายนี้แล้วก็ส่งมาให้กับจิต จิตก็จะใช้สัญญาวิเคราะห์หรือว่ารูปสิ่งกิตตอนนี้เป็นแบบไหนดีหรไม่ดีอย่างไงแล้วพอวิเคราะห์เสร็จก็จะเกิดความรู้สึกกับกับรูปสิ่งกิตตอนนั้นทันทีถ้าเป็นรูปที่ดีก็เกิดสุขขึ้นมาถ้ารูปไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขเกิดทุกข์ก็จะใช้สั ง, สงขารของคิดปลุกแต่งว่าจะทํางานกับรูปที่มาสัมผัสลาลูกถ้ารูปดีก็ไปเอามาใช้ อารมณไม่ดีก็ยกทิ้งไปทนีนี่คือการทำงานทำหน้าที่ของเครื่องมือของจิตที่มีอยู่สี่ันเรียกว่านามขันนามขันสี่เวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรวมสังขารกวามคิดคูณแต่งละวิญญาณการนับรู้รูปสิ่งกิตติผลธรรมะที่เข้ามาทางตาหูจมูกนี้วกยัย คุณเวอรี่ครับต่อเลยครับอาจารย์เหมือนบอกช่วยอธิบายเบทนากับเป็น ญ, ญาณเราจะแยกยังไงและการส่งจิตออกนอกคือการวกแวกใช่ไหมคะเช่นเราขับรถแต่ใจเราคิดเรื่องอื่นที่ไม่ให้อยู่กับการขับรถตรงหน้าแบบนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะเวทนาก็คือความรู้สึกไเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกกันนะถ้าเรา ได้เห็นได้ยินสิ่งที่เราลักเราชอบก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาวิญญาณก็เป็นผู้ที่ไปรับรูปกัะเสียงที่มาทางตาหูเนี่ยเข้ามาให้ใจรับรู้ใจก็จะใช้สัญญาแปลความหมายของรูปกับเสียงที่ได้รับรู้มาว่าเป็นรูปที่เป็นรูปอะไรชนิดไหนชอบหรือไม่ชอบ แลวพอวิคาเสร็จมันก็พอรู้ว่าชอบปั๊บมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วสังขารก็จะคิดปรุงแต่งต่อไปว่าควรจะทํำยังไงกับรูปสีที่ได้สัมผัสรับดูรบเราไม่เราไม่ต้องแยกเพราะามันเป็นการทํางานที่รวดเร็ว ม, มากสิ่งที่เราต้องมาแก้ก็คือว่าแก้ตรงที่สังขารความคิดของเรา พอเกิดพอเกิดสุ ข, ขเวทนาแล้ทุกเวทนาสังขารแลราก่จะคิดไปทางกิเลส ท, ทันทีไปนักไปชังเพื่อนอน ท, ทันทีไอ้ตัวนี้เราที่เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งต่างกับจากสุขทุ ก, ทกเวทนาที่ได้รับสัมผสัสทางตาหูจมูกลิ้กายไอ้ตัวนี้เที่เป็นตัวที่เราเต้องมากแก้คือเราต้องสอนใจว่าอยาไปรักอยากไปชังให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วข่าว เกิดแล้วก็ดับไปไปรักแล้วพอไม่ได้สิ่งที่เรารักก็จะเสียใจเรื่อได้มันมาแล้วมันเป็นของชั่วคราวพอมันหมดไปก็จะทําให้เราอกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปรักไปชังเราก็จะเฉยเฉไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาทมํามาปฏิบัติกันแล้วเรื่องขับรถครับพอาจารย์บอกว่า ส่งจิตออกนอกไหมครับเวลาไปคิดเรื่องอื่นตอนขับรถครับอาจารย์ได้ตอนขับรถเราก็ต้องจดจ่ออยู่การขับรถเพียงอย่างเดียวถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นจะแสดงว่าจิตเราไม่มีสติควบคุมใจให้อยู่กับงานาที่เรามองทำอยู่อาจารย์นล้วอย่างผมขับรถเองวันนี้ผมก็ขับรถยาวเลยครับอาจารย์ช่วงที่ขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ยังดูลมอยู่อยู่บ้างแล้วก็ก็คือยังรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่อย่างนี้มันจะได้ไหมครับอาจารย์ คือลมมันก็ยังชัดอยู่ที่จมูกอยู่นะครับก็ตย่างใดที่เราไม่ไม่ไม่ไม่ทิ้งการขับรถควรจะดูรถต่างหนะครับ่วสนใจจะไปคิดอะไรเรื่องจะไปดูอะไรต่อนี่ก็สุดท้าแต่แต่ทางที่ดีควรจะจดใจเรื่องอะรขับรถเพีอย่างเดียวก็ได้สมาธิได้สติเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องดูรถไปพร้อมๆกันครับ เพราะมันจะทําให้เป็นการกะทำสองอย่างอย่างเป็นสองแล้วการทรําจิตให้เป็นหนึ่งแล้วก็อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพรีอย่างเดียวจะดีกว่าครับคุณผู้หญิงพัทยาครับบอกว่าหนูมีการยานามิตรท่านไปภาวนาเข้มที่วัดป่าบ้านตากในช่วงที่พระอาจารย์สุชาติภาวนาอยู่เหมือนกันคะ่ะท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเจ็ดถึงแปดปีเข้าถึงฌานสี่ได้แต่หลวงตาบอกว่าท่านเดินปัญญาไม่เก่ง สรุปว่าท่านปฏิบัติเข้มเจ็ดถึงแปดปีแต่ก็ยังเป็นคารวาสอยู่ทำไมผลของการภาวนาแบบกัลยาณมิตรของหนูท่านนี้จึงไม่ตรงกับที่พระองค์บอกว่าภายในเจ็ดปีคะก็เพราะยังไม่คงไม่ปฏิบัติได้สมบูรณ์ยังขัดปัญญาอย่างที่หลวงตาบอกว่าปัญญายัางไม่เก่งยังไม่พิจารณาตรลรักอริยสัจสีไได้อย่างสมบูรณ์จึงยังไม่สามารถที่จะละรรมยุ์ต่างได้ คุณไตพบครับนั่งสมาธิแล้วจิตเหมือนหลุดไปในอวกาศซึ่งความรู้สึกนี้เป็นต่อนเนื่องประมาณ2ถึงสมวันจึงเกิดความสงสัยและความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาขอสอบถามพระอาจารย์ว่าควรปฏิบัติอย่างไรหากเกิดอาการดังกล่าวอีกคะ่ะถ้ามันหลุดไปในอวกาศแล้วมันนิ่งมันเย็นสงบมันสบายก็เป็นสมาธิแต่ถ้ามันหลุดไปอวกาศแล้วรู้สึกหงุดหงิดก็ไม่ใช่นะไม่รู้ว่าเป็นอะไร คุณวารีผีฮาถามต่อนะครับเครื่องอยู่หมายถึงจุดยึดอะไรบางอย่างเพื่อให้เรามีสมาธิตรงนั้นใช่ไหมคะก็คงยังเป็นอย่างนั้นนะเครื่องอยู่ก็คือเครื่องที่จิตยึดเป็นอารมณ์ก็ได้เช่นยึดลมเป็นอารมณ์ก็ได้ยึดพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้คุณชาวินครับพระโสดาบันกับพระอริยะต่างกันอย่างไรครับ พระสโสดาบันเป็นหนึ่งในพระอริยะพระอริยนี้มีอยู่สี่ระดับระดับแรกคือโสดาบันระดับที่สองก็คือสกิราคามีอนาคามีาารับอรหันต์ตามระดับสี่มีสี่ระดับด้วยกันในทั้งสี่ระดับนี้เราสามารถเรียกโดยรวมว่าเป็นพระอริยะบุคคลได้เหมือนกับผู้ที่จบปริญญาตรีโตเองเราก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตได้เหมือนกันแต่เราเรายากยะว่าเป็น มหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตจอะไรนียอันนี้ก็เหมือนกันคุณเมวราครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้วิปัสสนาญาณไม่ใช่สิ่งที่นึกคิดเอาเองคะเวลาที่เราพิจารณาขันห้าก็เอามาใช้ดับความทุกข์ได้ดับความวิตกกังวลหงายต่างๆกับสิ่งต่างๆได้คุณธิดาครับพระทาตเสด็จ มีจริงใช่ไหมครับเพราะเคยฝันว่าหลวงปู่บัวกะหลวงตาบัวเอามาใส่มือหลวงตาบัวบอกคนละองค์กันนะคะมีพรธาตุอยู่ตรงที่เรานั่งสมาธิมันเป็นความฝันเลยจะเป็นความจริงได้ไงคุณหอมครับนั่งสมาธิจําเป็นไหมครับที่จะต้องถึงฐานทุกครั้งรู้สึกทุกใจจากที่เคยนั่งแล้วส ง, งบแต่ตอนนี้ไม่สงบครับ การนั่งก็แรกมันสงบถ้าไม่สงบกก็ต้องพยายามทำให้มันสงบให้ได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันก็เป็นการทำความเข้าใจว่าตอนนี้เรายัางไม่สําเร็จผลจากการนั่งสมาธิแล้วก็พยายามนั่งบ่อยๆนั่งไม่มากคุณเบลครับขอาการเบียนถามเจ้าค่ะเห็นแมวจรจัดแล้วสงสารมากถ้าจับแมวไปทํำหมันจะบาปไหมคะถ้าเป็นบาปผลของการกระทํานั้นคืออะไรคะ ไม่บาปหรอกถ้าไปทํามันก็เป็นแบบทําให้เขาไม่ตั้งทอง ม, มันเองคุณจิรานุวัตรครับอยากทราบว่าถ้าเรานั่งสมาธิอารมณ์ที่เป็นเอกคตาจะเป็นอย่างไรครับอันนี้ต้องนั่งเองอธิบายิล้วกันก็พูดไเอกคตาก็คือสัตว์แต่ว่ารู้เนื้อแต่ความรู้ตัวเดียวความคิดหายไปถ้าเปรียบเทียมเหมือนจอทีวีเนี่ย จอที่เรากําลังดูอยู่ตอนนี้มันมีภาพมีเสียงพอเราดับเครื่งปั๊บเนี่ยก็เหลือแต่จอเปล่าๆอันนั้นแหละคื อ, อคากรตาของใจพอใจหยุดคิดได้หยุดวิทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณได้ก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวนะคุณอ้อมครับการอดอาหารช่วงหลังไม่ค่อยนึกถึงอาหารและไม่ค่อยต้องนึกถึงปฏิกูลก็หยุดความคิดได้ค่ะเหมือนมันรู้ได้เร็วขึ้นควรเฝ้าระวังต่อไปใช่ไหมเจ้าคะ ในชีวิตประจําวันก็รู้สึกเฉยๆเรื่องอาหารไม่ถึงกับกินไม่ลงกราบสาธุเจ้าค่ะการอดอาหารนี่ก็มันมีไหลหลายประโยชน์ด้วยกันส่วนหนึ่งก็เพื่อทําจัดความอยากกินอาหารถ้ามันอยากกินอาหารก็อยากให้มันกินต่อไปมันก็มันก็กลัวมันก็จะไม่กล้าอยากมันก็จะกินตามเวลาแต่การอดอาหารนี่ก็มีส่วนที่จะทําให้ร่างกายเบาไม่ม่วงเมือนเราหานอน ทำให้เราไม่ไม่ขี้เกยียจในการบำเพ็งภาวนาเพราะถ้าเรายังไม่กำจัดสังโยชน์ให้หมดไปได้เราก็ต้องพยายามเพ่ญภาวนาเพื่อให้ละสังโยชน์ต่างๆให้มันหมดไปให้ได้ด้วยการถ้าเราไ ม, ม่ยังไม่มีอุเบกขาที่ที่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามทําสตินั่งสมาธิให้ ม, มากให้เวลาที่ออกจากสมาธิมาให้มีอุเบกขาติดข้างอยู่ในใจให้มากที่สุด แล้วพอไม่มีก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้จนเรามีความชํานาญในการรักษาใจให้มีอุเบกขาแล้วเราค่อยไปพิจารณาตายรักในขันห้าพิจารณาขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปล่อยวางแล้วก็เป็นพิจารณาสุภะวะกาลมาลาคะแล้วค่อยเข้าไปพิจารณามานะพิจารณา ราคาอุปราคาอุปราคาเพะละสัมโย ต, ต่างๆต่อไป ต, า, ตไามลำดับวัตถุหมายขอาการปฏิบัติก็คือการกําจัดสัมโยทั้งสิบนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้ายังไม่หมดก็ต้องพยายามปฏิบัติทั้งสมาธิและทั้งปัญญาควบคู่กันไปสลับกันไปคุณสีนวนครับขอาการเรียนถามครับมีโยมฝากถามการที่เราชอบดูเขาตกปลาซึ่งเป็นการทําเพื่อยั่งชีพหรือธุรกิจ เขาได้ปลาเราก็ตื่นเต้นด้วยสิ่งนี้เราบาปด้วยไหมคะแสดงว่าเาคิตเราไม่เคยคิดถึงตัวเขาเราว่าเป็นยังไงถ้าเราไปปลามากเราจะรัชัดจะเราจะยินดีกับการที่มีคนมาเชียร์ให้คนตกปลามาตกลรางไหแสดงว่าเราขาดความเมตตาไม่ไมีความรู้สึกสงสารเมตตากับเพื่อนร่วมโลกนะว่าเขากำลังทุกข์ทรมานจากการถูก ถูกถูกแบกเกี่ยวปากเขาแล้วก็ถูกจับไปฆ่าถ้าเราเป็นเขาบ้างเราจะรู้สึกยังไงเรายังจะมีกระตีกกระจ้าว่านั่งดูนั่งเชียร์เขาอยู่หรือเปล่าคุณก้องครับถ้าเราทํางานและเก็บออมเงินและทองเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าเราโลภหรือยึดติดไหมขอรับก็อยู่ที่เหตุผลว่าเราเก็บไว้เพื่ออะไรถ้าเก็บไว้เพื่อดูแลเล่นยงดูร่างกายของเรา ก็ไม่ไม่เสียหายกันนะันเพียงแต่ว่ามันต้องมีประมาณเท่านั้นเองอาจจะมีเท่าไหร่ถึงกับอถ้าไม่มีคอมีเขตก็ถือว่าโลกแต่ถ้ามีความเป็นไปคำนวณแล้วว่าถ้าเราจะอยู่ถึงอายุ80เราจะต้องมีเงินใช้เท่าไหร่ถ้าเราไม่อยากยุดทํา ง, งานต่อไปเราก็เก็บเงินให้ได้ก้อนหนึ่ ง, แ ล, า ง, งาแล้วเราออก็หยุดทํางานแล้วรอไปปฏิบัติธรรมนี้ก็ถือว่าไม่โลกถือว่าเป็นการอ่ ใช้ใช้ินใช้ทาเพื่อมาสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของเราคุณ CHB บครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบรรลุธรรมเข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่ได้เข้าใจผิดไปเองขอพรบคุณพระอาจารย์ค่ะับเราต้องผ่านขั้นต่างๆก่อนไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะถึงนิพพานเลยอันตอนเราก็ลงละละการยึดติดในร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกาย คือไว้ให้มันแก่ไว้ให้มันเจ็บปไว้ให้มันตายได้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายอย่างไม่สะทกสะทานให้ได้กแล้วก็ละกามการกามละคั่การอารมณ์ความอยากจะเสพการกัปเพียนต่อกันข้ามอันนี้ก็ต้องละให้ได้ก่อขั้นต่อไปก็ไปละอัตตาตัวตนความรู้สึกนึกคิดอามรตัวในตัวอย่างในตัวเราเราถึงจะไป จะเข้้าาาถึงนนไไดตต่อปมคุณขันิธาครับถ้าเราเอากระดูพ่อกับแม่มาไว้ในบ้านที่เราอยู่ได้หรือไม่ได้หรือไม่เจ้าค้าแล้วจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่ดีหรือไม่เจ้าคะ้ะก็ตอนที่พ่อแม่อยู่อบ้านเราก็พ่อพ่อแม่ก็มีกระดูอยู่ในบ้านอยูนะไม่ใช่เลเห็นไหมไม่งั้นจะไปตัดกันตรงไหนนะเวลาพ่อแม่ตายเราก็เอาเศษกระดูของพ่อแม่มาไว้ในบ้านก็ได้ไมันจะมีปัญหา อนที่ท่านมีชีวิตอยูท même, no the ่ท่านก็มีกระดูกไม่ใช่กระดูกของท่าก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นหรอไม่เกี่ยวกันชีวิตเราดีขึ้นแร้วไม่ดีขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราแล้วเราทําความดีมากขึ้นเล่นน้อยลงทำความดีมากขึ้นชีวิตเราก็จะดีขึ้นแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าดีขึ้นของชีวิตที่ไม่ได้หมายความว่าดีด้วยราดด้วยเสริเสริมสริมเสริในในด้านของจิตใจ จิตใจมีมีการดีมีการเลวเป็นดีขึ้นในลักษณะของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนชั้นจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นอริยะบุคคลอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีส่วนถ้าเลื่อนลงก็คือจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็สรกายอันนี้ก็เกิดจากการทําบาปอันนี้คือผลที่เกิดจากการทําดี ท, าทําบาป มันเกิดที่มันเป็นผลกระทบต่อจิตใจสถานะภาพของจิตใจของผู้กระทําไม่ใช่ว่าทําดีแล้วจะร่ํารวยอย่างนี้ไม่ใช่ทําชั่วแล้วจะยากจนไม่ใช่เพราะอันนี้มันมีกลับกันเนย้ะพวกทําชั่วนี่ร่ารวยกันเยอะแยะเลยพวกทําความดีกับไม่รวยก็มีกับยากจนก็มีดังนั้นเรื่องการทําดีทําชั่วนี้ไม่ได้ว่าผลผลของดีชั่วนี้ไม่ได้อยู่ที่รานยศสรรเสริญ จะอยู่ที่สถานภาพของจิตใจนัข้าใจอย่างนี้ถ้าเราจะได้ไม่ค่อยเขวะัจจุบวันนี้คนเรารู้สึกจะค่อยเขวกันงงกันว่าเออเราทราําวามดีแทบเป็นท่าตายเราก็ยากจนเหมือนเดิมแต่คนที่มันชาวโกงเอาอันนี้มันรู้สึกมันยิ่งรวยเอายิ่งรวยเอาขึ้นมามันก็เลยทำให้คนมีความคิดว่าทําดีไม่ได้ดีทํำชั่วได้ดีมีถมไป เพราะไ ป, ไปดูผลที่ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทําดีชื่อของจิตใจคุณนัดดาครับหากบุปการีเป็นคนใจร้อนมักพูดจาร้อนๆ อ, อยู่ด้วยหาความสงบไม่มีลูกจะปฏิบัติอย่างไรเราอยากดูแลกระตันยูบิดามองไม่เห็นความดีของเราเลยเจ้าค่ะเราก็ดูแลท่านด้วยความใจเย็นอย่างเราซิมาใช้ความใจเย็นซื่อกับความใจร้อนของท่าน ท่านจะน้อนก็หลุ่มของท่านเราไปห้ามไปบังคับท่านไม่ได้แต่เราควรจะบังคับใจของเราไม่ให้ร้อนต่างท่านให้เราใจเย็นให้เรามีความเมตตามีความกตัญญูคุณวัชกรครับเคยบริกา ร, รพุทโธจนเหลือแต่ตัวรู้และสว่างจ้าไม่ทราบอยู่สภาวะธรรมไหนครับกัไม่มีเชื่ อ, อแต่เราก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิ อาจจะเป็นสมาธิจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เพราะคนเล่ามาแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรคุณท่นนั้นจะเป็นผู้รู้เองว่าเป็นอะไรไม่ต้องรู้จักชื่อมันขอให้มันสงบมันน่งสบายแล้วมีความสุขมีความเบิกาจิตวางเฉยได้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิคุณภูมิครับการบริกรรมพุทโธคือหนึ่งในจิตตานุปัสสนา ใช่ไหมครับโดยไม่สนกายและเวทนาแต่เมื่อเกิดปิติก็จะเกิดความสึกปิติกับฐานกายเช่นหน้าตึงตัวแข็งและรู้สึกสุขในฐานเวทนาเหมือนกับพิธีอื่นๆใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกการเจริญแบบคำพุทโธนี่เป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นการเจริญสติด้วยคําเริดคำพุทโธไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาในจิตใจอย่างไรจิตนานุปัสสนาก็คือการดูการเคลื่อนไหวาการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่มีในจิต คุณพีโกครับเหตุให้เกิดความอยากกับความไม่อยากมีอะไรบ้างและเราจะไม่ให้เหตุเหล่านี้เกิดควรทาอย่างไรครับความหลงไงความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ดีไม่ดีซึ่งความจริงถ้ามองไปที่ร่างเงาของมันมันเหมือนกันหมดเพราะของทุกอย่างมันทํามาจากท่านดิ น, น้ำมุมไฟนั่นเองแต่พอประสมกันมันก็เกิดรูปร่างหน้าตาลักษณะแตก ต, ต่างกันไป แล้วก็เลยทําให้เกิดความรักความชาญงเกิดขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาก็จะมองไปถึงรากเห่าเหมือนว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟนี่คุณต้าครับวันพระเราจะสมาทานศีลห้าต้องวันนั้นมีคนมายืมเงินแต่เราให้ไม่ได้เขาอาจจะไม่ใช้เราบอกว่าไม่มีเงินอย่างนี้บาปไหมครับถ้าโกหกก็บาปเลยนอกจากว่าเราบอกไม่มีเงินให้คุณเยี่ยมมันก็ไม่บาป เันนอยู่แต่เงินให้คนยืมไม่มีไ ม, ม่บาพูดให้ถ้ามันจบสิไม่มีเงินให้คนยืมคุณนิ่มครับการกลัวเรื่องบาปกรรมตลอดเวลานี้จะไม่ทำให้เป็นคนวิตกตเจตดหรือคะมันจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปมากกว่าคุณปุ้ยครับ วันนี้ขอโอกาสถามเรื่องบริกรรมค่ะปกติตอนรู้สึกตัวเวลาว่างจะนั่งคิดพุโทโธแต่ตอนนั่งสมาธิจะใช้ยุบหนอพองหนอเพราะพระท่านเคยสอนตอนไปวัดว่าให้ใช้ยุบหนอพองหนอมันแตกต่างกันหรือคะไม่ต่างกันหรอกแต่ใช้อารมณ์พุโทโธก็เป็นอารมารณ์หนึ่งการดูยุบหนอพองหน่อก็เป็นอารมา์หนึ่งก็ใช้ทดแทนกันได้ใช้อย่างไหนก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้ใช้ยุบหนอพองหน่อก็ได้ คุณฝนครับเราสามารถฟังธรรมไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยได้ไหมคะเพื่อให้จิตสงบถ้านั่งฟังด้วยการไม่ไม่ไม่ใช้คําบริกรรมหรือดูลมให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนก็ได้แตาถ้านั่งฟังธรรมไปด้วยแล้วนั่งพุโทโธไปด้วยนี้ไม่ได้นะเพราะมันชนกันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะนั่งสมาธิด้วยพุโทโธก็ต้องไปนั่งที่เงียบๆไม่มีเสียงธรรมมาลดโกรธใจ แต่ถ้าจะร้างฟังธรรมเมื่อจิตสงบก็ไม่ต้องพูดโทรไม่ต้องดูไม่ใช่เสียงธรรมเป็นตัวก่อบใจได้อาจารย์ขออีกคำถามสุดท้ายครับคุณ Examiner นิพพานมีจริงไหมครับนิพพานคือจิตที่ไม่มีกิเลสจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่านิพพานครับอาจารย์วันนี้ก็มี เพื่อนๆมาร่วมฟังธรรมกันใน f เ c e b o o ก790คนนะครับใน y o ย t u b บ759คนในครับเ s e 27คนมีเพื่อน ๆ, ๆฟังธรรมอยู่พร้อมกันตอนนี้ 1,576 คนครับวันนี้จับปลาได้หลายตัวนะกลาง <S <S วันก็ไดตอนบ่ายก็ได้พันหนึ่งตอนข้างยังได้1 5 0พันห้ารู้สึกวันนี้จับปลาได้เยอะ <S <S คนไปตกปลาดีดใจแน่ๆนะคนที่มามาเผยแพร่ธรรมน่าจะมีความสุขนะ ก็ยินด <sesi> ีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็คิดว่าเวลาก็สมควรที่จะต้องราจากท่านไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุขอลาคุณหมอไว้ขอลาคุณหมอไปก่อน แล้วถ้าไม่มีอะไรขัดข้องกอคงออจะได้พบกันในอาทิตย์หน้าเวลาไหนครับขอบคุณพระอาจารย์ครับขอเจริญพรครับขอบสักการครับ